อีกอย่างห้าอย่างออกไปก็ว่าไปนั่นแหะทีนี้รักษาศิตกันนี่แหละได้ประกาศไปแล้วก็รักษาสมบัติของเราเนี่ยไม่ทําทุกข์โทษน้อยใหญ่มาใส่กายวปใจใจอันเป็นที่รักของเราเนี่ยเราฉลาดเราป้องกันไม่ทุกข์โทษเปวรภัยมาเกิดขึ้นในกายในวาร ใ, ในวาจารในใจของเราเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปไ ป, ไปพื้นปฏิบัติ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 พอติดเพราะคันน้อยก็เอาแล้วมันขยายใหญ่ขึ้นลามขึ้นลามขึ้นหรือว่าฝุ่นขี้ฝุ่นีมันเข้าตาเราเห็นไหมเราเล็กน้อยนั่นแหละเล้วแม่เห็นิดหน่อยนะมันอักเสบขึ้นมาก็ใหญ่ขึ้นตั้งตาบอดมันเป็นอย่างนั้นอันเดียวกันนั่นแหละมันเห็นโทษผู้เห็นโทษผู้มีปัญญาน่ะมันเป็นอย่างงั้นนี่เราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้เราก็เราก็จะเป็นพยศต่อสาธารณกัมมือเจ้าเนี่ยอ้างเรื่อยแหละ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 ยกมือท่วมหัวกองเราเนี่ยพุทธะสะหัตสมเดชาโสวะบุตโตเมตามีกิจรโรยอมจิโร ล, ลาต่อคําตัดคํากล่าวมุทิตเจ้าธรรมะสะหัตสมเดชาโสวะธรรมกิกจรโรนั่นเนี่ยที่เราจวดมนต์ไว้ในภาคธ ร, รคัดคัมอะจะว่าติดตัวหนังสือดิจิตใจมันต้องลงด้วยอย่างนั้นทั้งคัศหัตสมเดาโสวะสั้งคัสมิกิจรโยนี่ย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 อย่างนมัักษณะนะ่ะบรรยัตเข้าไปใส่ไปกันเรียกไปตามนั้นตา ม, นนตามชนชาติตามภาษาเนี้ยอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าอนิจจังเอไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงกนะันนะอ้ภาษาอับาลีาอนิจจัง เ, เนี้ยแมันไม่เที่ยงอันนะ เ, เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ทนได้ยากเนีเ่ยทุกขังทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้อนาตตา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 เป็นวัฒนาบาลมีเนะพราถูกมันมันมาใบกระบุกแบบเราไม่รู้ตัวเหมือนกันเห็นไหมละ่ะมันละเอียดอย่ว่าเรังกรรมเนี่เป็นเรื่องลึกลับเข้าใจยากมละเอียดอยู่เอามาเอามาถลันในมาพูดไปหลายแง่ให้กว้างขวางให้เห็นภาพนะเรื่งกรรมที่เราเนี่นยนี่สิบุคคล้วมันไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ในตัวเราทั้งหมดเนี่ยพุทธศาสน า, านั้นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาอยู่ที่อื่นที่ไกลเรานี่ยน่ยเป็นเจ้าของพอเราพูดแล้วเรามาพุทธปฏิบัติ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 สกิทาคามักสกิมันนั่นกรรมมรรคาอะไรงมันบันเทาพอเด็ดขาดนู่นไปอยู่ทั้งอนาคามีกรรมเด็ดขาดไปเห็นรูปแล้วก็ไม่รักไม่จังจิตมันเฉยนิ่งไม่มีความกร ะ, ะเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยถา้ถาฐานที่ไม่กระเพื่อมจิตก็ไม่กระเพื่อมไม่รักไม่จังนี้มีกิเลสเบื้องบนอีกห้าลปราคาลุ ป, ปราคะมนอตอทิฏฐิแล้วก็อภิชานั่ น, นะพอละได้นะ ก, ก็จะเป็นพระอรหันต์อีกห้าเมื่อตามนี้มันห้าหนึ่งห้ามันสิบไง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 แตกต่างชาติโยงออกไปที่โยมทาไม่ได้ถ้าทาได้เสม่อยโยงโยงกันไปกราบมาไหวอะไรเล่าใช่ไม้มเพราะทำไม่ได้นั่นแหละเขายังกราบไหวนั่นต้องต้องหลุมระวังตัวเองอะนนี้เพราะอะไในร่างตายนี่ไงจะมากราบไหวคุณทำความดีใช่ไหไปดีวัตาดีไปชอบต่จริงๆเราเห็นในนี่อยากมีจะขี้ด้เยี่ยวจะมากราบอะไรกันเล่าฮะฮะไม่มีพระก็ไม่มีขี้มีเยี่ยวเลยมีขี้ม่เยี่ยวเต็มเลยขี้หูขี้ตาขี้กวั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 เยยังลักยังช่ยอยังโกงยังเอาพลัดเอาเปรียบกันอีกเห็นไหมล่ะนี่เรื่องปากเรื่องท้นี่นมีแต่เรื่องเบียดเบียนกันทั้งหมดเลยนะจะให้บทิวทเนี่ยเพราะนั่นแหะมักเมืองแดมันจึงมีอาชีพ อ, อาชีวะชอบการงานชอบเห็นไหการงานที่ไม่ไม่เป็นมิจฉาอาชีวะไม่คา้ายยาพิษไม่ใช่ยาเบื่อไม่ละตุลาให้ได้ทรัพย์นั้นมาเมล็ดธาตุขันเนี่ยมันละเอียดในขนาดนั้นนะแต่เราไม่รู้อ่มันอยู่ในมักเมืองแปดเฮะ